จริงๆเราน่าจะเปลี่ยนรูปแบบบ้างเนาะนั่งฟังอย่างเดียวอาจจะเปลี่ยนเป็นการถามตอบกช้าพิสิชนาเป็นการถามตอบนี่ฟังอย่างเดียวเลยผนพูดก็พูดอย่างเดียวคนฟังเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้ ถ้าถูกพูดก็พูดอย่างเดียวไม่ได้ทมปฏิกิริยาว่าฟังแล้วผลเป็นยังไงเดี๋ยวพอหลังเรือพิดัปเป็นยังไงเ <c oughs> <c oughs> ชา้าถ้าใครมาช่วงเชา้า ก็ถามมีสิว่ามาเช้าหลว่าพูดเรื่องอะไรผมไม่หารสี่ผมมาจโรการอืมัรตทวนความจำเราทวนสัญญา ม่เช้นอกจากพูดเรื่องนี้แล้วมีสองคำที่อยากให้พรุพิจารณาอย่างจริงจังผมพอพูดเรื่องความจริงกับความจังลีนพานกันแถ้าดื่มน้ำเข้าไปนี่เอ๊พิ้งแต่ไวนน้น้ำบ่อน้ำมันกัญชาดีก็หากันทั้งคืนนี้น อารมณ์ดีทั้งคืนเลยมันธรรมะอารมณ์ดีเลยยังไม่ฉันกวอารมณ์ดีเ <c oughs> มื่อเช้าสองคเนี้อยากให้พวกเราเราเออกไปใช้อย่างเอาไปพิจารณาต่อยอดก็คือหนึ่งความจำกับความจริงแล้วก็มาตั้งคำถาม กระปตช้าวิสตนานถามว่าทุกวันเนี่ยในความเป็นจริงในแต่ละวั น, นเราอยู่กับความจำหรือว่าความจริงแล้วมันจะมีคำตอบอยู่กับความจำก็คือสัญญาความจำได้ไหมารู้สารพัดเรียกวสัญญาสุดท้ายถ้าเราไม่ระวัง คือรู้เท่าไม่ทันความเป็นจริงของมันตามสัญญานะมันจะกลายเป็นเชือกมัดตัวเองพันแข้งพันขายิ่งจํามากเท่าไหร่พันมากเท่านั้นมัดเขาแล้วจําสารพัดจาที่บอกมักรรพราว่าจําแล้วมันปล่อยวางไม่ได้มันมันมันไม่ได้อยู่ในภมิหารอุเบกขาไม่ได้คือข้อสีไม่ได้ใช้เลย เรสังเกตว่าพ่อแม่หารเนี่ยเวลาเลายถามหากันโดยเพื่อยื้อขอ้อเมตตาเนี่ยเราจะรู้จักนั่นเมตตารู้จักเฉยๆนะไม่ได้แปลว่ามีนะรู้จักเมื่อรู้จักว่าเออเมตตามันของดีนะไ ม, ม่ของดีคก็ไปขอกราบไหว้ใจหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาเมตตาน้อยเห็นไหมของเข้าใจผิด ไม่ได้ความเมตตาเลยปต้องไปหาขอเอานะส่วนข้อที่เหลือไม่ต้องพูดถึงเนละไม่รู้จักโดยเพราะคือข้อสุดท้ายคือว่าโอเปคขามันไม่มีมันไม่เกิดในองค์องค์องาการตรัสรู้เรีกรเรรเยกว่าโพธิธรรมหรือโพธิปัจจะธรรมหรือโพธชงก็แล้วจะเรียกกปชื่อแล้วแต่ อ, องค์ที่จะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งในจริงตามความเป็นจริงอันนี้เราพูดถึงความจริงละไม่ใช่เราพูดถึงความจำแต่นี่พูดถึงความจริงองค์ที่เรียกว่าโพธิองค์การตัสรู้สรัท้ายให้ปลายทางก็คือตัวนี้แหละตัวตัวที่เป็นอุเบกานี่แหละตัวแรกคือตัวต้นเรื่องที่เราจะต้องทําให้ได้ ทำให้ได้เขาทาให้มีทําให้เป็นทําให้ปรากฏนั่นก็คือสติเราเก็จะตามในชื่อถ้าเป็นพุทชงก็เป็นสติสัมพุทธชงตามต่อท้ายท้าท้ายท้ายกันไปแต่มันเป็นองค์คําองค์มาเขาว่ามันไม่ได้อันใดอันหนึ่งมันเป็นองค์รวมเวลามาเกิดขึ้นเป็นกระบวนการไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งเช่นเราพูด เราพูเรามักแปดเรพูดถึงมักแปดขพระพวกเรามักมีองค์แปดคื่อนไปองค์ประกอบของมันกลมมักองแปดเคยพูดถึงศีลสมาธิปัญญาภาษาเราง่ายง่ายอย่างนี้แหละเราจะเรียนรับพื้นก่อนมักองแปดเริ่มต้นให้ใช้ปัญญาก่อนตนู้นจะเป็นสมาธิสมาธิก็พูดที่หลังนะองค์กัสรุเหมือนกันนะพราพูดถึงสมาธิที่หลังตัวแรกที่พูดก็คือสติ ตัวสุดท้ายก็คือมีสติเพื่ออะไรเพื่ออุเ้ขาเพื่อคนปล่อยวางวางอะไรก็ตามขั้นตอนสติเขามีไว้ทํทำอะไรมีไว้กำหนดหรู้ชัดเจนเลยนะที่หน้าที่ของเขาแต่ต้องมีก่อนนะมีสติก่อนถึงใช้สติ ให้มีสติก่อนคือให้สติมันเกิดก่อนแล้วคอยใช้สติใช้อย่างไรใช้กําหนดรู้กําหนดรู้อะไรกํรรหาหนดรู้รูปนามให้เขาใช้รูปน้ำเนี่ยซึ่งรูปนามนี้คําสุดท้ายที่ใช้กับรูปนามคือ ท, อทุกขพราะทุกมันเกิดจากรูปเกิดจากน้ำ ก็คือเคจ อ, ค อ, อตัวเราเราพูดง่ายๆแต่ทอนี้เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าเขาใจตรงกันว่าคําว่าสติเกิดที่ไหนก็ที่รูปที่นามแล้วเพราะฉะนั้นเราจะ ก, กําหนดก็กําหนดที่รูปที่นามแต่ให้มีสติก่อนค่อยใช้สติและสติมาจากไหนองค์ประกอบว่าเขาคือสติปัฏฐานมันชัดเจนเลยคือที่มาว่าสติสติปัฏฐานคือฐานของสติ ไม่ว่าจะเรื่องกายเรื่องมีตนาเรื่องจิตเรื่องธรรมก็คือรูปกรรนามนั่นแหละโดยสรุปกําหนดข้อกําหนดสิ่งเหล่านี้กำหนดกายกายหยาบยาธรรมดากายละเอียดคือการในกายกายที่มันซ้อนกายอยู่ซึ่งปกติถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นเราก็รู้จักแต่กายหยาบจนกายในกายมองไม่เห็นนี่คือปัญหาใหญ่ ถ้าริงกว่ากําหนดชัดเจนเลยไม่ได้บอกให้ละคือไม่อยากให้ไม่มีอันนี้คือกาสติกคือกำหนดรูปรูปกับนามโดยละเอียดรูปคืออะไรนามคืออะไรรูปประกอบเพื่ออะไรนามประกอบเพื่ออะไรแล้วมันทำแล้คือยังไงมันมีผลต่อคนต่อมนุษยชาติอย่างไร เ็าเหลามาพิจารณาถึงคุณถึงโทษของเขาเมื่อสติเกิดขึ้นคือรู้ตัวรู้พร้อมทุกคนมีสติหลังจากนั้นเป็นใจเ่าธรรมวิจยะแปลว่าอะไรแปลว่าค่ควรพิจารณาสอบสองแล้วก็ตัดสินใจดูว่าเทียง ที่กำหนดรูปกระโดดน้ำนะกำหนดเพื่อให้เห็นอะไรรูปน้ำเป็นบอ่อเกิดของอะไรรูปน้ำนี้มันเป็นบอ่อเกิดของกุศลอกุศลคือทําให้เราทําบุญทําบาปพวกนี้ ง, ง่ายเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือพิจรารณาที่เรียกว่าธรรมวิจัยะยกขึ้นมาทุกอย่างพิจรารณา ให้เราคอบว่าลักษณะอย่างนี้มันเป็นกุศลนะลักษณะเป็นอกุศลนะเมื่อกุศลเกิดขึ้นสติทำหน้าที่ตัวแรกนะว่ากุศลเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้อกุศลเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้นี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องการวางหรือการปล่อยต้องให้รู้จักเขาก่อนแบากุศลเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้อกุศลเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ ผลก็ามาันนี่คือธรรมวิจยะคือพิจารณาเข้าใจก็คือรูปนามนั่นแหละลกุศลอกุศลต่อไปอคือธรรมะวิริยะเัวนี้ต้องมีความเพียรความเพียรผูองค์ประกอบเริ่มต้นจากความเพียรดังไหนกอที่ตั้งของสติมันอยู่ตรงไหนตั้งของกายกายก็คือยืนเดินนั่งนอนและคือเยบด ก็คือเป็นที่มาของเราที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันเนี่ยอยู่ อ, อริยบทไหนก็ตามสุดท้ายก็จะบอกว่ากลับมาที่เดิมอีกกายเป็นมุมบอกอะไรท่านก็บอกว่ายืนเดินนัง่งนอนในอริยบทนะี่เป็นตัวบังทุกข์คือทําให้เรามองไม่เห็นคำว่าทุกข์เรคิดว่ามันสุขคิดว่ามันสบายมันเป็นตัวบังเรียก ว, ว่าทุกข์กันกําบังอริยบท ฉันนั่งนานๆกับเปลี่ยนเอวหวดหน่อยก็รู้สึกสบายขึ้นมาสุขะก็เลยลืมเมาาื่อวันมันไม่ทุกข์ขาดละมันไม่ทุกข์ละเราจรึงเรียกว่าบางังคือทําให้รเรามันมาเห็นคือพูดง่ายคือโมหะมันครอมงำชั่วคราวแต่เราก็ไม่รู้่มันเป็นโมหะความเพียรความเพียรมันต้องต่อเนื่องมันต้องเผาความเพียรใช่ไหมว่าเผา เผาให้ได้ทีถ้าเผายังไม่พอมันก็ทำอะไรไม่ได้คือเปรียบเทียบไปฟังขครทิ้งแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าเป็นมีดหอกหรือเนื้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าความร้อนไม่พอมันทำอะไรไม่ได้รูปนามนี่ก็เหมือนกันคือถน้ําไฟลมเนี่ยก็เหมือนกั น, น, น, น, ก น, กนถ้าความเพียรเรายังไม่พอไม่สมามารถที่จะเผามันได้ มันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะัความเพียรจริงๆเป็นเรื่องสำคัญหลังจากที่เรารู้แล้วว่ามันกุศลเอาส่วนมันเกิดขึ้นอย่างนี้พอเราดูแล้วเนปฏิสัทธิมันถึงจะตามมาจิตมันถึงจะสงบสงบจากอะไรมันรู้ว่าตัวนี้เป็นกุศลตัวนี้เป็นอกุศลมันเข้าใจแล้วมันแยกออกมันเข้าใจเพราะมันพิจารณาอย่างต่อแท้แล้วรูปหนาวนี่ยเป็นที่อยู่ของมัน ไมก่กุศลก็อกุศลและยังไปพูดถึงอุเบกขาถึงเรียกว่าปัสสถานในองค์แต่มันก็ต่อเนื่องกันไม่ใช่เกิดทีละอย่างทีละอย่างอย่าไปน่าเข้าใจปัสสถธนคืออะไรคือความสงบสงบอะไรกายวาจาใจสงบกายสงบใจพอเรารู้ที่แรกแล้วว่าที่ว่ากําหนดนั้นคือกําหนดกายกับกําหนดใจ มาใช้ตนตรู้ว่ามันเกิดปัสสถานีเมื่อไหร่บอกเออมาเกิดปัจสถานกันแล้วที่ตามมาคือหลังจากปัสสถานีแล้วมันไม่เคยไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนสิ่งที่ตามมาคือปิติถ้าไปติดที่ปิติมันก็หลงอีกว่โอ้บางคนน้าตาไหลบางคนขนลุกเกิดปิติขึ้นมาโอ้ทาไมเราไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างนี้ คืไม่เคยสบายม่เคยรัรู้มาก่อนโอ้จิตที่มันเป็นกุศลเอากุศลเข้ามางำทำให้เราโมหะอืเกิดความหลงลืมไม่รู้จักคําว่าทุกขะมันคือทุกข์แล้วเกิดกปิติขึ้นมาในตัวนแต่ถ้ายังวางบิติก็ไม่ได้ที่พูดเนี่ยไม่ต้องถึงพูดถึงองค์ของฌานที่พูดถึงองค์ฌานหมายว่าองค์ฌานคือ วิตกวิจารปิตินี่อยู่ขั้นปิติแล้วนะวิตกวิจารคือกำหนดนั่นแหละ ร, รู้วิจารคือพิจารณาก็คือธรรมวิจยะนี่องค์ของฌานนะถ้าจิตของผู้ใดทรงอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าส่งฌานแต่ต้องมีสติก่อนนะสติก็ส่งฌานปัจปิติขึ้นมามอนอยู่ในอารมณ์อย่างนี้สมาธิมันก็เกิดแล้น หมายถึงว่าความมั่นคงความแน่วแน่ของจิตมันไม่ว่ากับคนหลายปจีจะสัญญาคือจําเมื่อก่อนมีแต่จำจำจำอย่างนั้นจําย่างจ ำ, จ ำ, จ ำ, จ ำ, จำนั้นว่าชอบอันนี้ไม่ชอบจํานั้นว่าดีนัีน่ ด, ดีตอนนี้มันเริ่มเข้าใจว่าแล้ ว, ลวเออความจํามันมีอิทธิพลอย่างไรพอมาอยู่อย่างนี้เรียกว่าความจริงนะทีนี้ที่มันปรากฏอยู่เนี่ที่เกิดปิตีขึ้นมาคนรกสู้นี่คือความจริง มันกลับมาสู่ความจริงควาความจริงปรากฏก็ความมั่นของของจิตมันก็เริ่มเข้าใจจากที่เข้าใจเรื่องกายถึงจิตเราเข้าใจว่าโอ้กายอุนออกกายเพื่อรู้ภารกิจ ก, ก, กําหนดจิตเพื่อให้รู้ธรรมภารกิจหลายอางกันเพราะปรุกายเนี่ยรู้ภารกิจคือกิจธนนะที่ที่จะต้องทำคืออะไร แต่กำหนดจิตใเพื่อให้รู้ทำทำคืออะไรคือความจริงมันคือสัจจะเริ่มเข้าสู่สัจจะหรือสัจจะธรรมคือสมาธิจนสุดท้ายข้อสุดท้ายสิ่งแ้วเกิดเมื่อกุศลอากุศลเราละได้ตัวสุดท้ายก็คือนะคือวางสุขวางทุกข์วางกุศลอกุศลนั้นแลจึงเรียกว่าอุเบกขา คือเพ่งอยู่กับอรมณ์ในอุเเกรห์ขามัแปลว่าเพ่งก็อยู่ในองค์ชานนี่คือองค์ชานนะองชานก็คือมิตกวิจารณมิติสุขเอ ก, กขาตาคือใจเป็นหนึ่งคือสมาธิแล้อุเเกรห์ขาเนี่ยคือเป็นองค์ถ้ากระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราในขณะที่เราปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบ หรือไม่ครบก็ตามก็ชื่อว่าเป็นองค์อังคะคือองค์ประกอบคือองค์รวมเป็นหนทางไปสู่ค น, นิพพานท่านบอกถึงท่านโสดาส ก, กัตาคาอาราคากระบวนการเดียวกันกระบวนการเดียวกันเริ่มต้นจากเมื่อมีมัน ป, ปัญญาเกิดขึ้น ปัญญามันกปัญญานะกลับไปที่สติอีกไปอุรมสติมันอุรรมยังไงรูปรูปเป็นที่อยู่ของใครเป็นที่อยู่ของความพอใจไม่พอใจนั่นก็คือราคะกามรารคะมัดติอยู่ในกามรารคะกลับไปที่รูปอีกย้อนกลับมาที่เดิมก็ไล่ไปมา ตัวนี้าำมาเกิดแล้วกุศลอกุศลมันก็จะตามมาทุกขะก็จะตามมาแปฏปสธิมันต้องไปพูดถึงก่อนสงบสมาธิมันต้องไปห า, หาถ้าแค่ละตัวนี้ได้ก็เริ่มต้นก็เริ่มจะสักยัติทิฏฐิคือตัวนี้สักยัติทิฏฐิคืออะไรก็คือขันห้าขันห้าคืออะไรคือรูปน้ำเห็นไหมมันย้อนกลับมาที่เดิมกลับไปกลับมากลับไปกลับมามันจะมันจะนั่นขึ้นเข้าใจมันมากขึ้น และกำลังเขาเรียกว่าพละพละทั้งห้าที่กำลังทำให้เรามีอยากสตินั้นกลายเป็นสติพลังเป็นกำลังของสติที่เราเพิ่มพลังหมายถึงพลังของจิตมันจะมีกำลังตัวนั้นจิตเราอ่อนแอจิตเรามีกำลังจิตเรามีพลังทีนี้ เรายกสติขึ้นมาใจาอย่างเดียวสติพิจารณาโดยไม่คิดอย่างอื่นเอาพิจารณาเอาสติเป็นเรื่องใหญ่ก็เรียกว่าสติเป็นใหญ่ก็เรียกว่าอินทรีย์เขาเรียกไปตามชื่อหนะูยินตัวเดียวกันเรื่องใหเรื่องเป็นใหญ่เช่นยกมานทางตายกพินารขึ้นถูกกอตาก็เป็นใหญ่ทางการเห็นเราจะเรียกวอินทรีย์หูก็เป็นใหญ่ถ้ากันได้ยินอย่างนี้เป็นตน้นอแค่ตัวอย่าง ว่กลับไปกลับมากลับมาที่เดิมเรื่องเดียวกันความเข้าใจเราก็จะเพิ่มมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นการปฏิบัติเราก็จะเข้มข้นมากขึ้นมีหลักมีการมีเหตุมีผลแล้วก็ความจริงที่พูดอยู่บ่อยๆคืออันนี้มีเหตุคือต้นตอของมันมีผลแล้วก็ความจริงณขณะนี้เจ็บเราอยู่กับความจริงไม่ได้อยู่กับความจำ รูปเป็นด้จิ้ออะไรมันก็ต่อมไม่ใช่แค่รูปก็คือขันห้าหวเวทนาสัญญา่ยาขานี่นก็คือนามนามก็คืออะไรก็คืออารูปแช่มันได้มีรูปมันอาศัยรูปอยู่ถ้าจิตออกในขนาดนั้นเหมือนฝั่งโน้นเขาไปแล้วจิตออกจากร่างแล้วมันอาศัยอะไรพวกเราเคยได้ยินไหมอ่า เคยถามคนตาบอดไหมเคยถามคนตาบอดด้วยว่าเขาเคยฝันไหมแล้วฝันของเา้าเป็นภาพไหมพวกเราลองไปสัมภาษณ์คนตาบอดดูนะที่ทราบ น, นี่เป็นมีคนสัมภาษณ์มาแล้วบอกว่าเขาบอกว่าไม่เคยได้ฝันเป็นรูป มีแต่ฝันเป็นเสียงพวกเราคิดอย่างไรสแสดงว่าความฝันคือจากจินตนาการเ้าจินตนาการไม่ออกเพราะว่าเกิดมาก็ไม่เห็นแล้วที่เขาใช้คือเสียงคนตาบอดใช้มากที่สุดคือเสียงคือหูเขาจะจําเพราะหูว่าคนเดินมาลักษณะอย่างนี้น้ําหนักเท้าเสียงมา เขาจะรู้เลยบอกหลอกมันจะใช้วิธีเคาะดูใช้ไม้เคาะพอสัมผัสอย่างนี้เขาไม่ได้สมาต่างตายอย่างเราเพราะฉะนั้นวัตาบอดจะไม่ได้ฝันอย่างพวกเราฝันนั้นเป็นเสียงแต่สุดทายคขาบอกคือมันแยกไม่ออกว่าในขณะฝันนเป็นเสียงจริงหรือว่าเสียงหลอกเพราะว่าในขณะที่กลางวันก็ใช้เสียงเหมือนกันกลงคืนก็ใช้เสียงก็เลยแยกไม่ออกอันนี้คือคนตาบอดนะ ในคนตาบอดพูดเองนะมันไม่ใช่หลวงปู่ประเดิพูดเอาเองนั่นก็แปลว่าไอ้ที่เราฝันอนะมันเกิดจากจำนี่แหละสัญญานี่แหละแล้วจะแปลสภาพออกมาเช่นหลวงพ่อยอธิบายเสมอว่าสมรรนึกถึงสุนทรขึ้นมานะ่ะภาพสํานทรจะปรากฏออกมาเรียกว่ามนโนคือใจแล้วก็ภาวะคือภาพเป็นภาพออกมาเป็นปรากฏเป็นรูปเป็นร่าง อไปเลยถ้าภาพตอนนี้ดับเรานึกอะไรขึ้นมาซึ่งเหมือนกับเราวันวั น, วนหนึ่งเราคิดกี่เรื่องไม่รู้แต่ในขณะไหแต่เราคิดนะเราลืมตาอันนี้คือความเรียอการทํางานของจิตถ้าเราไม่เข้าใจคนไกลอย่างนี้ยะก็คือไม่เข้าใจตัวเองอ่อนวั น, ว น, ว น, วนหนึ่งคิดอะไรบัางก็ไม่รู้แต่ที่สำคัญคือเกิด อ, อาศัยสุดท้ายก็คืออาศัยความจำํำคือสัญญา ถ้าเป็นสัญญาดีคงไม่มีปัญหาเป็นสัญญาไม่ดีนะโอวันตาลายเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยู่อาศัยแค่พึ่งแค่สัญญาคือความจําได้ไหนรู้ให้อาศัยความจริงคือสัจจะการสือ่อสิ่งที่พูดมาทั้งหมดก็คือเริ่มต้นจากคนจะมีสติคนจะมีความจริงได้ก็คือมีสติต้อฝึกสติเท่านั้นคืออย่าอยู่ความจริงได้ ง่ายๆเลยคนที่วิปลรราสพูดง่ายๆคนที่ใบบ้าเสียจริตแม้แจะเก็จะกันททำสมาธิก็ตามวิปลาสก็ตาม น, นั่นเขาไม่ได้อยู่ความจริงเขาอยู่กับจินตนาการหมายคก็ว่าเป็นเสียงขึ้นมาเขาก็อยู่กับเสียงเช่นเสียงบอกว่าสอนธรรมะเขาแก่ฟังธรรมะคนนั้นคนนี้คนโน้นมาสอนธรรมะ การเข้าขกิดวิปลาสพราอไปเชื่อคือศรัทธาอาศัยความเชื่อแต่ไม่ได้อาศัยความจริงนั้นหลวงพ่อจึงเน้นอยู่เส ม, มอระหว่างความเชื่อกับความจริงต้องแยกกันออกนะถ้าเราใช้ชีวิตอยู่เบอแพรอาศัยแพรความเชื่อเนี่ยซึ่งมันมันเชื่อได้ไม่ได้ห้ามแต่เราต้องนึกถึงความจริงด้วยคิที่เราเชื่อเป็นความจริงมนะั้ยความจริงคืออะไรมันพิสูจน์ได้ ความจริงมันเขาอยู่เขาอย่างนั้นใครปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นนีน่คือความจริงหรือคนศรัทธาความเชื่อกลัเปลี่ยนไปตามรูปแบบสารพัดเชื่อไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ความผิดความถูกอย่างเหมือนที่เราเชื่อหลากหลายทุกวนันนี้ต้นไม้สายน้ำภูเขาสารพัดที่เป็นความเชื่อเรากเคารพบูชากราบไหวไม่กีว่วันก่อนก็เหมือนกันที่เราเยี่ยนในปางน้นมันก็เป็นความเชื่อนอะแต่ถามว่าบนควาเชื่อเป็นความจริงไหม แ ต, ต่อไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าของเราที่พูดน่ะเป็นความจริงไมไ่เคยเอาคามเท็จมาสอนไม่ได้เคยเอาแค่ความจำมาสอนแต่เอาความจริงคือสัจจะมาพูดมาบอกมาก่าวสอนเราตั้งแต่ต้นตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยซ้าไปแต่เรานึกไม่ออกเราถึใช้เอาแค่ชาติารือชาติเนะคืออนับตั้งแต่เกิดมาว่าชาตินี้ ส่วนภาวะคือพบก่อนที่เป็นชาติหรือชาตานะ่ะมันมาจากพบดั้งเดิมจริงๆเหมือนพวกเราถามว่ามาจากไหนมาจากพน่นะคือการมาภ พ, ร, ร, พารูปภพอรูบภพคือที่มากังพวกเราแล้วก็จะไปที่นั่นแหละคือที่ไปของพวกเราส่วนชาติตอนนี้ชาติชราพยาธิมรณะกระบวนการของชีวิต มันจบตรงนี้มันสิ้นสุดตรงนี้มันไม่เลยไปกว่านี้แล้วแล้วก็สิ่งนี้ก็คือทุกคนจะต้องได้รับเสมอภาคกันหมดอยู่ที่ว่าใครเห็นความจริงเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนในแต่ละวันในแต่ละขณะเห็นแล้วเข้าใจเข้าถึงแล้วได้พัฒนาสิ่งเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนไม่ใช่สักไปเนินตาเนื้อตาหนางังตาธรรมดา เห็นแต่ว่ารู้ว่าแกรู้ว่าเจ็บรู้ว่าตายโดยไม่โอปัญยโกคือน้อมกงานตัวเองว่านั่นคือกระบวนการของเรานะเราจะเป็นอย่างนั้นนั่นคือธรรมะวิจัยคือตัววิจัยกระบวนการคือธรรมะวิจัยถ้าภาษาเราง่ายๆเหมือนเขาวิจัยทั้งหลายเลยก็มีกระบวนการการวิจัยมีรูปแบบการวิจัยหนึ่งสามสี่ต้องทงําย่างนี่เหมือนกันธรรมะก็มีเหมือนกัน ธรรมวิจัยธรรมวิจชญคือธรรมวิจัยคือกระบวนการสืบสวนสอบสวนพิจารณาสอดส่องแล้วก็ตัดสินว่าอ๋อที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้เพราะอกุศลอ ก, กุศลนี่เองเป็นติ่ตั้งเป็นที่อยู่ขจิตตราบใดจิตที่มันเป็นกุศลเป็นอย่างนี้จิตมันอกุศลเป็นอย่างนี้แต่สภาวะจิตจริงๆคืออะไรสภาวะเดิมของจิตคืออะไรปุจ้ามันบอกว่าเพราะพัสระคือโปร่งใส ไม่มีครอบงำมันบริสุทธิ์มันสะอาดเหมือนเด็กมาถูกครอบงามาตั้งแต่เกิดจนตายเหมือนพวกเราเนี่ยรับรู้มาสารพัดสุดท้ายสิ่งที่รับรู้นั้นมีทั้งคุณและโทษแต่ธรรมะวิเยะไม่เกิดคือแยกแยะไม่ได้ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยเพราะว่าขาดธรรมะวิเชยะเพราะนั้นถ้าเรานั่งพิจารณาอย่างนี้ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยแทบแป๊บเดียวนิดเดียวเดินเหมือนกัน นอกจากวางพุโทโธแล้ววางพุโทโธวางลมหายใจก็คืออานาปานสติคือสติปัฏฐานคือฐานของสติอยู่ที่ลมลมก็เหมือนกันผู้ทเจชาตจัดให้ผู้ชาตจัตดในนก็สูตรก็ตาม <c oughs> กับสิ่งที่เราทำทุกวันมันตรงกันค้าคือการหายใจ มันมุ่งปฏิหายใจ อ, อาณาพาะสติคือพูดไงคือเกี่ยวกับหายใจนั่นแหละแต่ท่านให้เริ่มต้นที่หายใจออกก็จะช่หายใจเข้าเราหายใจเข้าหายใจออกอแะไรก็สอนกันมาอย่างนี้นะแต่เราดูในพระสูตรเขาบอกว่าหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้เห็นไหมอันนี้เป็นพระตํารัินะทําไมเข้าก่อนนะ ท่านพูดถึงออกก่อนทีนี้เราทดสอบทดลองดูว่าระหว่างหายใจออกก่อนกับหายใจเข้าก่อนต่างกันอย่างไรหายใจออกธรรมดาหายใจออกลึกๆกั้นไว้ปล่อยไว้ทดสอบทดลองด้วยตัวเองกับหายใจเข้าแล้วก็คันไว้หายาวหายใจออกร่างกายเราเป็นอย่างไรจะโบกสมองเราผัก กระพังลมหน้า อ, อกมันเกิดกิย า, าการอย่างไรฝึกเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ตัวรู้ทั่วคือสัมพชัญญะเพราะใ น, นเวลากําหนดลมคือถ้าเกิดสติแล้วสมาธิรู้ได้ทันทีตั้งแต่หัวโจร้าอย่างนี้มันถึงจะใช้ได้หมายก็ว่าในะขณะที่หายใจเข้าเดี๋วหายใออกกระต่างให้เป็นอนเดียวดังตั้งแต่แตหัวโจร้าคือออกถึงปลายเท้าเลยสมมติเรกถึงหายใจเข้าจมูกหน้าผาก รองอท้องปลายเทาเพอ อ, อไปเลยในกระดเดียวกันนะมันต้องไปเกรงมนะันนะถ้าเกรงโอลำบากละเป็นตุกขะตามหาแล้วให้ามันสูขขาคือสบายอย่าไปฝืนมันบางคนกายใจสัน้นบางคนกายใจยาวเอาอย่างนี้ไปก่อนฝึกถ้าก็ใจเรื่องหายใจเป็นเบื้องตน้นเพราะอานาสติพูดถึงหายใจแทั้งกะติสบายนี่เรียกว่ากําหนดกําหนดโดยอะไรกําหนดโดยลมหายใจจนมีสติ สติมาแปลว่ามีสติคือประกอบด้วยสติแปลว่าในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกสติก็คือหายใจเข้าก็หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้อันนี้คือข้อหนึ่งข้อสองก็คือถ้าเราละเอียดแล้วคือทําได้แล้วเราจะรู้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่กําหนดแค่ตอนเข้าหรือว่าตอนออก ถทำละเอียดมันจะรู้ขนานดะแล้วก็สั้นขนาดเดียวมันก็ทั่วแล้วกาหนดนี่เดียวมันก็ทั่วแล้วทีนี้มันเกบเหมือนกับความมหัศจรรย์ของมันคือเหมือนเครื่นย น, ก, นกลไกถ้าเราผ่อนแปลว่าร่างกายเรามันก็ผ่อนตามเมื่อลมหายใจมือเลือดมันไหลหาลงหวัวใจฟันเต้นช้าลง เพราะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเลยจึงมีลักษณะที่หัวใจเต้นช้าลงเป็นเรื่องดีนะคนที่มีสมาธิเนี่ยจิตหัวใจจะเต้นช้าตรงกันข้ามคนที่มีสมาธิจนเตือนเต้นเนี่ยหัวใจจะเต้นเร็วเพราะสมองมันสั่งการบอกโวยมันไม่ได้อันตรายเกิดขึ้นต้องไปปั๊มเลือดหัวใจปั๊มปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊เพื่อไปเลี้ยงสมอง มันกลัวตายแปลว่าอะไรแปลว่ามันทำงานเยอะขึ้นกว่าปกติแปลว่าอะไรแปลว่าชีวิตมันก็จะสั้นลงใช่ไเหมือนรถยนต์คนไกลเหมืนรถเหมือนลาเรานะ่้าเรามันสตาร์เต๋อติดไปทั้งันบมบึมบมบมมันดยไม่ไม่ให้มันพักเลยมันก็จะเสียเร็วมันก็จะทูมเร็วร่างกายของเราเหมือนกันถ้าจิตเราไม่ได้พัก ไปผ่อนหัวใจมันเต้นกลัวอย่างนี้ต่อจะลางอายุมันก็จะสั้นลงเพราะฉนั้นสมาธิจึงเป็นวิทยาศาสตร์หราบอกผู้เช่ยงเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราทดสอบทดลองดูมันจริงไหมถ้าเราไม่เชื่อเอาเครื่องวัดความดันมาดูในขณะที่เราธรรมดาธรรมดาพวกนี้เรามาวัดดูความดันเท่าไหร่แล้วก็ลองกําหนดลมหายใจที่เราทําเนี้ แะไปุตะเมินใครที่เข้าหาจะออกสักพักหนึ่งค่อยกดเครื่องวัดความดันมันจะเต้นช้าลงนั่นแปลว่าได้ผล น, นะแปลว่ามัมีผลต่อสุขภาพอ่ะพูดง่ายๆรวมความแล้วคือดีมันดีแต่สุขภาพวันนั้นถ้าใครฟุงร้งซ่านคิดอะไรไม่อยู่คิดอะไดไม่ออกนก็กำหนดลมหายใจเนยแต่ทั้งกำหนดเป็นกําหนดหายใจคืออะไรสุดท้ายก็กําหนดเพื่อให้รู้รูปน้ํานี่คือวัตถุประสมค์ ไม่ใช้กระโดแค่รู้ลมหายใจเข้าออเลยโอเคจดมันได้แค่นั้นมันไม่เกิดปัญญานาะเพราะสุดท้ายเราต้องการให้เกิดปัญญาคือสติแล้วก็ปัญญาเมื่อปัญญามันเกิดอุเบกขาคือวางมันจะวางได้แต่ตอนนี้เรามีสติยังไม่ควรแต่ปัญญายังไม่เกิดเมื่อปัญญามันเกิดอุเบกขาซึ่งเป็นตัวสุดท้ายประมายสุดท้ายเรามันก็ไม่เกิดเราก็ได้แค่สติคือรับรู้ เพราะนั้นที่หลวงพ่อพูดมาตลอดก็คือ อ, อธิยายเสิ่งเหล่านี้อธิบายขึ้นว่าทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับพู้เรานะนะเกิดขึ้นให้รับรู้คืออย่าปฏิเสธอย่าไปโวยวายตั้งอยู่คือมันปรากฏมาไอพิจรารณาก็คือธรรมวิจัยนี่แหละคำว่าพิจรารณาเพราะไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามและสิ่งข้อนั้นมันเกิดปัญญาแล้วมันก็จะดับไปเอง ถ้าเรายังไม่เข้าใจกว่านี่แหละคืออารมณ์ของไตรักคือให้เห็นสุดท้ายคือให้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปของสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งมวลแม้แต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นบนตัวเราไปเป็นสัญญาหรือว่าเป็นสัจจะหรือความจริงก็ตามมันอยู่ในหลักเกณฑ์อันนี้ตัทัศจิตมันก็จะจําจําเป็นเบื้องต้นแล้วก็เข้าใจถึงความเป็นจริงของมัน จะใช้ทั้งความจําแล้วก็ความจริงและก็วางโดยธรรมชาติของเขานะก็หมายก็ว่าเรากระบวนการขเขาก็คือชาติช า, าลาปฏิมาณั้นมันเป็นกระบวนการของเขาอยู่แล้วแต่จะเกิดตอนไหนจะดับตอนไหนก็แล้วแต่เพราะมันเป็นกระบวนการเราสั่งไม่ได้เราบอกมาลเรากําหนดไม่ได้ก็เราเข้าใจแล้วว่าอืเราควบคุมมันไม่ได้มันจะเข้าใจตอนนี้เราอยากจะควบคุมมัน เราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้นก็กลายเป็นความอยากก็กลายาเป็นตัณหาโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัณหาสุดท้ายก็ทำด้วยความอยากก็ทำด้วยตัณหาครูจะก็บอกว่าตัณหาและคือเหตุเรากำลังทำเหตุที่มันไม่ดีเพราะนั้นจะไปหวังเลยผลที่มันจะดีตามมาเพราะเหตุไม่ดีผลมันก็ไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดาสุดท้าย เราจะเห็นกระบวนการเหล่านี้ทำงานตามปกติของเขาเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ทำหน้าที่ของเขาถ้าแสงสว่างเกิดขึ้นมันเป็นลักษณะอย่างนี้ตอนนี้เหมือนโดนดาวเล็กจิตสภาวะจิตของพวกเราอยู่ในท้องฟ้าเล็กนิดเดียวไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่สู้พระจันทร์ไม่ได้เหมือนพระอาทิตย์ ที่มีแสงมีกําลังมากกว่ามี่กำจัดถ้าสภาเนี้เกิดขึ้นกับเราเราจะเข้าใจแล้วก็ปล่อยให้เขาทําหน้าที่ของเขาเป็นหน้าที่ของเขาเพราะสุดท้ายถ้าเราเข้าใจรูปนามแล้วจิตของเราก็จะวางเป้าหมายคือวางเรื่องเหล่านี้เคยเล่าให้พวกเราฟังหลายครั้งแต่ไม่รู้ว่าพวกเราจะเข้าใจมากน้อยกระดับไหนมันก็อยู่ที่ระดับ ภูมิและกองความาใจวัดเปรียบเทียบให้ฟังตั้งแต่พุทธเจ้าก่อนปริริพานท่านก็ทําให้เราดูเริ่มต้นจากในขณะที่พระองค์ไม่ตรัสอะไรแล้วคือให้การบรรพชาสมบูรณ์กสุพุทธะแล้วซึ่งเป็นพระบิดารูปสุดท้ายหลังจากนั้นท่านก็ไม่ตรัสอะไรอีกอืมคือนอนเสียอาสายยัยญาติอยู่อย่างนั้นซึ่งพุทธชนไม่รู้ว่าจิตท่าน ออกเรียนก็อาศัยท่านผู้รูก้กำหนดจิตดูว่าตอนนี้วาระจิตคือจิตกลางวิชาเป็นยังไงท่านก็บอกว่าจิตกลงเิ้าตอนนี้คือข้าวชานที่หนึ่งคือกำหนดกำหดรู้รุดน้ำคือวิถีวิจารณิตุกจตกระตาเอไปค้าชานที่ 1, ห น, ห น, นึ่ง 1, ออกแากชานหนึ่งข้าวชานที่2องยานตาที่คือรูปประชานองคของรูปประชานจล้วนั้นก็ออกเป็นอรูประชาน สุดท้ายแก็บอกว่าตอนนี้ท่านออกจากทั้งรูปฌานและกระรูปฌานคือรูปอบภพกับอาารูปอบภะนั้นเองส่ว น, ส, วนส่วนกามาลาคะหรือว่ากามาพบไม่ต้องไปพูดถึงแล้วท่านไม่มีอยู่แล้วเพราะเราจึงไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้เพราะท่านไม่มีอยู่แล้วะก็แปลว่าสุดท้ายท่านก็ทิ้งนั่นจริงเรียกว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเป้าหมายเราทําเพื่อทิ้ง ไม่ได้ทำเพื่อเอาถ้าเขาเข้าใจตรงกันอย่างนี้จะมีคนมาถามหลวงพ่ออยู่เรื่อยว่าภาวนานแล้วจิดถึงตรงนี้เช่นวันก่อนก็ไม่กลมาถามว่าภาวนานแล้วเห็นเป็นนิมิตเห็นนิมิตแล้วทำไงต่อเราต้องเข้าใจาว่าเราเห็นกนเหมือนกับตาเนื้อตาหนังธรรมดา ให้เราทำความเข้าใจว่านิมิตก็คือนิมิตผู้รู้ความมีนิมิตก็คืออีกตัวหนึ่งอย่าไปอยู่กับนิมิตให้อยู่กับผู้รู้นิมิตเพราะมันคนละตัวกันแต่ถ้าเราไม่พิจารณาเรากลายเป็นว่าตัวเดียวกันเราจรึงเรียกว่าติดนิมิตโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้จะถามว่าแล้วจะทำยังไงว่าเราวางนิมิตตัวนั้นไม่ได้ มันจะไปไหนต่อได้เหมือนเราเดินทางอยู่ดีๆเห็นดอกไม้สวยๆก็มัยืนชมต้นไม้โอ้มันสวยจังเลยดอกไม้เนี่ยจะทําจะไปยังไงต่อก็อเราไม่ไปต่อไม่ไปต่อเพราะอะไรเพราะวางนิมิตไม่ได้มันเดินต่อไปไม่ได้ก็ไปชื่นชมโอ้นิมิตมันดีมันเทศมันเสียงทั้งนิมิตทั้งเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นรูปมีหลายอย่างรกับนิมิตเราก็ไปติดอยู่ตรงนั้น สุดท้ายวางไม่ได้ว่าอันนี้คือปัญหาของเราพราเราวางนี้ไม่ได้โอ้ไปต่อไม่ได้คือก้าวหน้าไม่ได้สุด้าก็ติดแม้แต่สวยเขาบอกเวทนาที่อรรถนี่มันเฉยๆอยู่ก็ติดความว่างตัว น, นั้นแหละอันไปต่อไม่ได้อืมสุดท้ายเคลี อ, อยู่นี่ก็สบายแล้วคือสุขะแล้วเหมือนพี่อะไรเลยมันสบายมันโล่ง ม, มันปิติมันไม่เคยเป็นมาก่อนสุดท้ายมันได้แค่นั้นนะเพราะวางไม่ได้ ตออาตัวนี้เป็นหลักคือผู้เจริเป็นหลักสุดท้าท่านวางคือวางอารมณ์ตัวเนี้คืออุเบกขาดังนั้นถ้าเรายังไปไม่ถึงอุเบกขาคือปัญญาไม่เกิดมันวางตัวนี้ไม่ได้มันก็เลยจะเป็นสับปะเป็นหมดไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอยู่ทํากลางยังไงสุดท้ายปลายทางเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนี้นสุดท้ายก็สู้เวทนาไม่ได้คือจุยว่างีตุขาเวทนาโอ้ลําบากเหลือกเกินเหนื่อยแล้วเมื่อยแล้วพอกิเลสบวพอแล้ว แต่ถ้าเร า, น, านั่งและพิจารณานว่าจะยืนก็นตามนั่งกระาังพี่นายเนี่ยมันใช้เวลาไม่ได้ น, นานเลยมันเพลินด้อยซ้ําไปมันเพลินแล้วบันเทิงในธรรมมันออกจากนี้ไปนี่ออกจากนี้ไปนี่ออกจากนี้ไปนี่มันลืมเวทนาที่มีอยู่เลยที่เรากำหนดรูปกำหนด น, นามแต่ถ้าเวทนาปรากฏการรู้เนเื้อเวทนาพอเรารู้จักแล้วกำหนดรูปได้แล้วกำหนดนามได้แล้วคือรู้จักชื่อหมดแล้วเวทนาจัญจะการย่างคืออะไร ก็ว่างจิตมันจะวา ง, างทันทีคืออุเบกขาไปจะทางไปซึ่งต่างกับคนที่ไม่ปฏิบัติมันไม่รู้มันก็จะโจอื่เวทนานั้วแหละว่าจะเป็นสุขเวทนากรตามทุกขเวทนาก็ตามรูอ ka, ้อุเบกขาไปมันก็จะอยู่อย่างนั้นหรือที่ตัวเองก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็จัดเจอเลยว่าอาวิชชาคือทาลายอาวิชชาตัว น, นี้ไม่ได้ทำลาความไม่รู้ตัว น, นี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทําความไม่รู้ตัว น, นี้ให้เป็นความรู้คือทลายกําแพงอันนี้เสีย กลับมาที่สติอีกเพราะสติเรายังไม่พอเมื่อสติไม่เกิดคือไม่สามารถแยกำหนดรูน้ําได้ปัญญาเขาก็ไม่เกิดการปล่อยวางเขาก็ไม่มีเมื่อการมีมันก็เป็นเหมือนเดิมนะอย่างรูปก็เป็นรูปน้ำก็เป็นน้ําสุดท้ายนั่นแะเขารูปก็แยกมาได้น้ําก็แยกม่ได้กลายเป็นตัวเราตัวเขาสุดท้ายอุปาทานยึดสองคำนี้แหละคือเรากับเขาด้วแหละมันแยกไม่ออก อันไหนเราอันไหนเขาแม้แต่ความดีความไม่ดีก็ตามยึดถือติดอืเช่นคนอื่นถ้าความไม่ดีเราก็ไปเดือดร้อนไปทุก์กับเขาซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเขาจะทําไม่ดีกับเรื่องของเขาเขาจะทําดีก็เรื่องของเขาถ้าจิตมันวางอย่างนี้ก็มาสบายละสุขแล้ะแต่ไปยึดว่าโอ๊ยทำไมันเป็นอย่างนี้ทําไมโอ้มันเลวอย่างนี้ทําไมโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เกี่ยวกับคุณไหมนั้นะ ไม่เกี่ยวกันเลยเพราะมันจิตไม่ได้เป็นกุศลไงในขณะนั้นธรรมวิทยามันไม่เกิดมันเป็นอกุศลครอบงำออกุศลครอบงำจิตมันก็อยู่นะมันก็เศร้ามองตัวจิตมันก็เศร้ามองไปตามที่มันกระทบเรียว่าภาษาถ้าเราเข้าใจภาษาอย่างนั้นก็จะวางมันได้อแต่สุดท้ายก็คือมันต้องมีสติสมาธิปัญญาอืม ถุดท้ายปัญญาเกิดมากลับมาอารมอีกคือมีความรู้แล้วกลับมาอารมสติสมาธิสมาธิเป็นตัวผักเป็นตัวกลางมาทำให้เรามีกําลังเพิ่มขึ้นหรือไม่เหมือนกันเลยคือสมาธิเพราะฉะนั้นความมั่นคงของคนเราเ อ, อยู่ที่สมาธินี่แหละถ้าสมาธิไม่มั่นคงรุ่มรดด่อนมีบ้างไม่มีบ้างหรือไม่มีเลยเนี่ยเรายังไม่ต้องพูดถึงเลยปัญญาย่าไปพูดถึงสติเลยเพราะสถานีไม่เกิด นั่นก็แปลว่าความมั่นคงของชีวิตเราไม่มีเลยความมั่นคงไม่มีก็แปลว่าหลักประกันชีวิตของเราไม่มีเลยต่อจากนี้ไปเป็นอะไรไม่รู้โรคเปรตอสุกายสาัยตว์เดรัจฉานกําลังรอภูมิชั้นของชีิตเราอยู่นะถ้าภูมิชั้นของเราอยู่ในระดับใดมันก็จะไหลไปตามนั้นนะ่ะมาเพราะจะออกจากต่างไปแล้วทนะี่ออกจากบ้านไปแล้วซึ่งเมื่อเช้าเรากำลังพูดถึงเรื่องนี้ ก็คือพรหมก็คือเมตตากรุณามืา่อตาวเปรคาสุดท้ายอุเปขานะนี่จะต้องใช้แต่ไปไม่ถึงส่วนส่วนใหญ่เราก็ถามหาแต่เมตตาเมตตากรุณาเราไม่ค่อยพูดถึงเลยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ากรุณาคืออะไรเราก็เลยไปขอความขอความกรุณาเห็นไหมกลายเป็นเรื่องขอไปหมดอ่ะขอแสดงความเมตตาขอองหมด่ะ แต่ไม่ขออุเบกานะอุเบกานะันมีใครขอเลยไม่ขออุเบกานะไม่มีเพราะไม่รู้จักไม่มีตัวตนนะนั่นะคือสภาวะจิตของพวกเราสภาวะจิตของพวกเราเป็นอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วสําคัญที่สุดคือเราฝึกจิตผู้รู้กายพระรักิตก็คือกําหนดกาย เพื่อให้รู้ภารกิจกำหนดจิตเพื่อให้รู้ธรรมรู้ธรรมชาติรู้ความจริงแล้วก็อยู่กับความจริงยอมรับความจริงนั้นๆแต่ถ้าใครอยู่กับสัญญาก็จะเป็นอย่างนี้ลนะนั้นลูกอันนี้นหนลานอนสัมบัตพัสถานแก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์อันนี้อยู่กับสัญญานะสุดท้ายสียงเหล่านี้จะพันเราไปไหนไม่ได้ตายไปแล้วก็ยังติดมรดกตกทอดนั้นนี่นูน่น แต่คนนั้นอยู่ไปแล้วเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวโอ้มันจะอยู่ยังไงมันจะไปยังไงเอามันไม่ใช่ของดีเลยนะเพราะอุปเลยขาไม่มีจิตมันก็จะไปคล่องอยู่นั้นแหละมันจะเรียกว่าสัตตาแบลหูกคล่องจิตมันคล่องมันเกี่ยวกับเรื่องใดมันก็จะเป็นอย่างนั้นอาเรื่องสัตตามันคล่องมันเกี่ยวมันมันอยู่เหนือสิ่นี้ไม่ได้ะฉนั้นโดยภาพรวมแล้วก็คือเรื่องโลกกับเรื่องธรรมมันเป็นลักษณะอย่างนี้ ที่เราพูดเรื่องพูดเรื่องทำส่วนเรื่องโลกนั้นเขาทำเราต้องเอาต้องได้เรื่องงโลกนะเรื่องธรร ม, มาดาปกตแต่เรื่องธรรมนะทิ้งนะเราทำเพื่อทิ้งไม่ได้ทำเพื่อเอาที่ทปฏิบัติอยู่เนี้ยเพื่อให้ทิ้งแม้แต่ความดีความไม่ดีทั้งหมดคือทำแล้วทิ้งและที่สำคันคือจิตจะตตัอ้งอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็คือทุกข์นั่นแหละ คือรูปนามทุกคืออะไรคือรูปกับน้ำเพราะฉะนั้นจิตผู้ใดก็ตามถ้าอยู่สูงกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อยู่ในระดับเดียวกันท่านเรียกผู้นั้นว่าพ้นรูปพ้นน้ำพูดอย่างนี้มันฟังไรเฉยแต่คําท่านใช้จริงคือว่าพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากรูปและนามนั่นแหละเกิดจากการกําหนดตั้งแต่ต้นทุกข์มีสติทุกขม์กขมีธรรมวิชญา หลังกล่าความต้นทั้งหมดนี้เป็นตัวแปรอะก็คือความเพียรความพยายามที่เรามีอยู่แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดอย่างต่อเ น, นื่องอันที่พูดพูดมาทั้งหมดไม่พยายามที่จะเกิดได้กับจิตแจงของเราเพราะฉะนั้นจิตเจริญสิ่งเหล่านี้ถ้าใ ค, ใครมีพร้อมเป็นองค์ประกอบอย่างนี้แน่นอนที่สุดความแสดงของชีวิตความแสดงการปฏิบัติธรรมบันไดขั้นแรกโสดา สกัตาคาอนาคาถ้าผู้นั้นเข้าใจรูปนามคือขันห้าแล้วก็ละทอนปล่อยวางบ้างได้เป็นบางเรื่องสกยติฐิเก็ยบยาบเนี่แหละวิจิตกิจชาที่สงสัยเป็นคนขี้สงสัยก็จะหายไปขยะวิจิตกิจชาศรริรัตประมาททาเ ป, ป็นิดถูกๆสารพัดทํามท้เราทําแม้แต่วิธีการก็ตาม มันก็จะไม่เกิดเถ้าข้ามพ้นเสียงหน้อยได้มั่นคงความมั่นคงก็เกิดขึ้นความมั่นคงในตรงนี้หมายถึงมีพระราตรัยเป็นหลักจิตผู้ใดก็ตามที่มีรัราตรายเป็นหละก็จะมีความมั่นคงนเป็นหลักประกันคนชีวิตเลยงันการปฏิบัติของพวกเราในภาษาการนี้ก็ขออ น, าานุโมทนาพวกเราหลายๆคนเทวดาหรือฉพาะเทวดาเทวดาเยอะมากภาษาการที่เป็นในสัจฉิหลวงพ่อก็รู้ก็เห็น ก็เป็นกำลังใจให้อยู่ส่วนเทวบุตรเนีย่ยน้อยอย่างน้อยอยู่อย่าลืมว่าเทวดาเนะี่ยในอนาคตนะถ้าเรายังไม่หมดเรายังไม่สิน้นถ้าสิ้นลอกครบสิน 5, ส้นห้าสิ้แปดปรบูรณ์เราพร้อมจะเป็นเทวบุตรในอนาคตนะเทวดาคนเนี้จะเป็ น, น, น, ค, นะนะปนคือเป็นผู้ชายสมาูชิตทำอะไรได้เยอะกว่าผู้หญิง ควาจำกัดทางร่างกายก็มีเนี่ยเพราะนั้นมันเป็นเป็นได้ทั้งอย่างเป็นเป็นชาก็ได้เป็นหญิงก็ได้หรือเป็นกลางก็ได้หมดถ้าสินไม่ครบหรือมีการมันนี่คือตัวเป็นโยชีวัตรเป็นตัวบอกว่าเพศมันไม่เกี่ยวกับสามัญเพศหรือเพศอื่เนเพศอะไรเพศสภาพที่เราเป็นอยู่โดยเพศสภาพทุกวนันนี้ก็เกิดจากตัวเรานั่นแหละเพราะนั้นเราเลือกเลือกไดนะ้แต่บอกเลือกเพศ ไ, ไม่ได้ไหม ไม่ใช่เลือกได้ถ้าใครอยากมีเพศสภาพอย่างนี้นก็คือสิลให้มันมั่นคงไม่ต้องเลือกไม่ต้องไปวิ่งบอนไม่ต้องไปขอมันเป็นอยู่แล้วแล้วก็ขออนุโมทนาฟังเทวบุตรเทวดาทั้งหลายที่ในสชเช็กันคะปีนี้เพราะถือว่าเข้มค้นกันพอเยอะอยู่ก็ขอมาอีกครั้งก็ปเป็นกําลังใจให้พวกเราโดยอาศัยหลักการแนวนี้ เป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติเราจะเข้าใจหลักการสุดท้ายก็จะทิ้งหลักปูไปนั่นคือประมายในการปฏิบัติของเราไปดังขอให้เราทั้งหลายได้จเจริญรอยตามนี้เป็นพุทธธรรมดั่ง ร, รักอภิษฎาจัดไว้อย่างนี้ถ้าใครทําได้พนั้นก็จเจริญอยู่ในโลกก็จเจริญอยู่ไปทำก็จเจริญความจเจริญเราก็าหวัองแค่2อย่างกันนั่นนะในขณะที่อยู่โลกก็ให้เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็ให้เจริญทางธรรมภาวนาทั้งหลายได้แม้กระสุกความเจริญทั้ง ทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเืิน